ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็การรบธรรมสู่กันฟังที่ปลาสุขโตจุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติแล้วก็ <c oughs> ในรูปแบบทางทีก็ไม่มีรูปแบบถ้าเราอยู่ในสติของเราก็นั่งสร้างจังหวะถ้าเราอยู่บนทางเดินเราก็เดินจงกรมการสร้างจังหวะก็มีสติการเดินจงกรมก็มีสติอันนี้อยู่ในรูปแบบนอกจากนั้น แบบเราจะไปไหนมาไหนไปวินทบาทแต่ทำอะไรก็ตามเพยายามเติมสติลงไปตามความเหมาะสมอันว่าสตินี่ไปกำหนดอะไรก็คือสติทั้งนั้นละ่ะไม่ไเกี่ยวกับรูปแบบเหนือละเหนื้อรูปแบบ ผมรู้จึกตัวนะการสร้างสตินี่ก็ต้องมีความภาคเพียรพอสมควรขยันรู้ของตีมันจะหลงก็ขยันรู้เอาไว้อะไรไรก็ตามมันจะทำให้ไปทางอื่นก็เพียรพยายามที่จะรู้เอาไว้ให้เป็นหลัก ให้เป็นฐานให้เป็นที่ตั้งถ้าตั้งได้นานๆถ้ารู้อยู่นานๆหนึ่งวันทั้งเกดวันอยี้ยเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นจะเป็นผลเป็นการกระทาเป็นกรรมเป็นเหตุถ้าก็เราไปปลูกต้นไม้เมื่อวานนี่เราปลูกลงแล้ว แต่คอมันอยู่ น, นานๆแต่ว า, างคนไปตรวจดูแล้ววงต้นก็ปลูกไม่ปลูกไม่ดีอ่บไม่ดีมันอาจจะขึ้นยากาต้นไม้ต้นนั่นตั้งอยู่ใน้นานก็เกิดลากมา้ก็เจริญเตอบโตแตาต้นไห้กบไม่ดี ตัว น, น้อยตันนั้นก็เจริญเติบโตได้ยากทั้งๆที่ไม่เวล า, าเท่ากันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือนหนึ่ง30วันเท่ากันแต่ถ้ากรรมวิธีของการปลูกต้นไม้นั้นทำทำดีมันก็สะดวกยันได้ผลดีการเจริญสตินี้ก็เหมือนกัน เห็นความรู้จริงๆทำความรู้ให้แจ้งเห็นความหลงจริงๆเห็นความหลงให้แจ้งอยครึ่งหลงครึ่งรู้ครึ่งหลงครึ่งรู้เ็นรู้จริงๆจมั่นใจจะชีมือขึ้นรู้เนี่ยรู้จริงๆเลยเนี่ยยกมือก็รู้จริงๆ เวลาอะไรที่มันหลงคิดไปลู่มันจริงๆแล้วกลับมาได้จริงๆด้วยฝีมือด้วยการกระทําของเราให้มีความมั่นใจไปนั้นละ่ะมันจะไป็นไหนบางทีมันจะฟงตแตดแต่งมันจะผํจะเครียดเอาลู่มันจริงๆเห็นมันจริงๆริงเราก็เกี่ยวกับจริงได้ก็ ถาเป็นสติแล้วก็ฉเฉลยได้ทั้งนั้นแหละถ้าถ้าเราใสใจถ้าเรารู้จริงๆนะเป็นตัวฉเฉลยทั้งหมดของชีวิตเราสิ่งไหนที่จะเกิดสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยนะครับเราก็มั่นใจจนพอใจว่าถ้าจะพูดแบบภาษา คนไม่กลัวอะไรเพราะว่าให้มึงมามึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่กลัวหรอกเอาก็นั่นหละของจริงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องเชื่อตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่ไปเชื่อคนอื่นแล้วก็เราขึ้นทางล้านทำบ้านเราตีตะปู ด, ด้วยมือของเรา ขอนขงเราตีเข้าไปสมั่นใจว่าเราตีต่ปูเราสามารถจะไปนนั่งได้มั่นใจจงเป็นนั่งไปเดินได้นั่นหละเกาะได้แสนได้นั่นแหละถ้าเขาเดินตีเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจบางทีต้องไปดูก่อนไปเจาะๆดูก่อนการปฏิบัติธรรมก่อนก่อนเพราะจับตบมันมั่นใจทันทีเลยของจริงอะ แล้วก็เราพลิกมือมืออยู่ไหนมืออยู่เขาเขามาบอกว่ามือเราอยู่ตรงอื่นที่อื่นเราจะเชื่ อ, อยังไงเพราะเราเห็นอยู่พลิกมือขึนแเราก็พลิกจริงๆเนี่ยเราเห็นจริงๆเรายกมือขึ้นก็รู้จริงๆไปแต่ว่ามือเราไม่ยกเป็นเรื่องของเขาเราเชื่อมั่นนี่เรียกว่ากรรมฐานเป็นวิชาที่ เหนือเหตุเหนือผลเนือสิงใดถ้าเรารู้นะแล้วก็เห็นไปดูไฟลูไปะะอเพิ่งไปเอหตุเองผลลู่ไฟเห็นไปเห็นทั้งลูเห็นทั้งหลงเห็นทั้งิดเห็นทั้งูกเห็นทั้งสุเห็นทั้งทุกข์เห็นท้ะเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับกายาะมี เกี่กับใจก็มีเห็นแล้วก็ทำให้แย้งยาเห็นแล้วทำให้คุมเคือเห็นเห็นความคิดเห็นความหลงอย่นะเห็นความหลงบางทีเห็นไม่แจ้ง <c oughs> มันก็บางทีมันหลอกได้ถ้าเห็นไม่แจ้งไม่ชัดเจนเราจึงพยนพย า, ยาม หยุดดูชั่งหน่อยก็ได้แล้วเราไปเห็นอะไรแล้วเราเห็นงูเนี่ยหยุดดูชั่งหน่อยเห็นต้นไม้เราหยุดดูชั่หน่อยว่า ม, มันคืองูอะไรมันคือต้นอะไรถ้าเราจะศึกษานะนี่คือนักศึกษาเหมือนจะไม่หนึ่งพอเราอยู่กันหลายลูก <c oughs> ไปทำปฏิโมกที่หอใจเ้าก็เดินลงมาก็ผ่านมาศาลาไก่นี่ยพามาผ่านมาศาลาไก่หลายลูกผ่านไปเดินไปข้ามไปหล่นไปออกไปข้างนอกแต่หลวงพ่อเดินมาที่หลังมาเห็นไก่มันร้องก็ตอกดตอกดต๊อ เสียงไ ด, ด้ยินตัง้งแต่นู้นตั้งแต่เดินลงมาจากหอไทรนอนพอมาเราก็ดูไก่มันร้องอะไรโู่ดูมันมันอะไรมันเหตุไก่ที่มันร้องดูไปดูมากากามาจกกินไก่อยู่ลังของมันมันก็ร้องก็ตอก็ตอคนอิติลาก็เดินไปก่อนใครๆก็เดินไปก่อน เราไม่ได้สนใจเลยเดินบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มไปเราก็เห็นเหตุแล้วไก่มันล่องเพราะอีกามากินไข่ของมันเ้าก็ไปไล่กานี่มันก็หยุดล่อมก็ขึ้นไปกกไข่ของมันถามคุณอิสราสนอิสราเ <c oughs> <c oughs> ์เขาไปเดินไปผ่านมาเมื่อกี้เห็นอะไรไหมหยุดหอดสลาไก่ ไม่เห็นมีอะไรโอ๊ไก่มันล่องก็ได้ก็ได้ก็ได้เออลืมลืมฟังไปลืมฟังไปไม่ก็เห็นให้มันชัดแลเราจะศึกษาต้นยาแต่มีคนบอกแต่เราดูถ้าบอกเราไม่ดูดูไม่ดูที่หนึ่งมันไม่ชัดเจนแต่ดูดูดูเราก็ใส่ใจดูจน เป็นแม่นยำมันก็มันก็เป็นสัญญามันจำได้การเห็นความหลงการเห็นความคิดการเห็นกายการเห็นเวทนาการเห็นอารมณ์การเห็นธรรมที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามมันเห็นสัจจานิยมแม่แจ่มินลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นญาณ ขึ้นเห็นความรู้เห็นจินตยานเห็นวิปัสโนเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเห็นให้มันชัดตัวเห็นตัวดูมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นภาวะที่ดูที่เห็นนะ่ะก็จะสะดวกการทำต่อไปแต่ภาวะที่เห็นไม่ เด่นไม่ชัดเจนปฏิบัติไม่สะดวกจะสับสนโุกคนเห็นเรา <c oughs> ในในวิธีทําแบบสองปูเทียนเนี่ยเดี๋ยวแบบอานาแบบสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยสลงปู่เทียนจะเน้นในเห็นลูกเป็นนม้ม บางทีเราก็เห็นอยู่รอรูปนามเห็นอยู่ล่ะแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรทำความเห็นให้มันเกี่ยมแงถแต่เห็นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีความดับทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานหลักฐานไม่ดีถ้าเห็นชัดเจนล่ะมันมีหลักฐาน มันมีหลักฐานเอาลูกไปเฉลยเอานามไปเฉลยแล้วก็เรามีลาวใต่สะพานเนี่ยพอมันเจ็ดเซธละลงไปเราจับลาวไว้ให้มันมันไม่ตกสะพานอารมณ์ของกรรมฐานกอมันกันนั้นมันมีมันมีหลักฐานที่จะ ไปย่อยไปฟ้องหรือไปสลุงอะไรก็ได้ทำให้มันถูกต้องก็ได้นี่คือรูปนี่คือนามตัวรูปก็คือที่เป็นดุลเป็นก้อนที่เรายกมือสร้างแก้ว่าอยูน่นี่ดูดีๆมันก็คือรูปตัวรูปสึกกับการเคลื่อนไหวมันก็คือนาม มันเป็นรูปเป็นนามอยู่นี่อะไรก็ตามมีรูปเป็นนามอยู่เต็มไปหมดเลยที่เห็นเป็นรุ่นเป็นก้อนเรียกว่ารูปนามแต่ต่อไปก็เรียกว่านามารูปนามารูปมันเกิดจากอายตนะเป็นขันธ์ห้าเหมือนกัน หน้าก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นชาติชลามรณะโศกปริเทวทุกข์นามลนาลูกนั่นเอาไปเอามาดูดีๆมันก็ไม่มีอะไรเลยวันมีแต่ตัวลูกเท่านั้น ล, ล้วนไมีแต่ตัวลูกแต่ลูกเอาไว้ไปใช่บาแบกขามแต่ถ้ามีจติเอาเลยไม่เป็นไร แต่ถ้ามันรูปเป็นอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนมันมีหลักฐานก็แนะนําอยากจะให้เห็นรูปเห็นนามก่อนแต่เห็นรูปเห็นนามแล้วโอ้ยมีหลักฐานเป็นสูตรของของการลื้อถอนเป็นหลักสูตรการลืออล้อถอนลื้อถอน ตัวกูของกูหรือว่าลื้อถอนตัวตนไม่มีอะไรที่จะลื้อถอนจนไม่มีอะไรที่จะให้ไปสุกไปทุกข์ลื้อถอนจนไม่มีอะไรที่จะให้ไปโกรธไปโลภไปหลงไปรักไปชังลื้อถอนจนไม่มีอะไรที่จะให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายกขบวนการแห่งการลื้อถอนอารมณ์ของกรรมฐ า, านเนะี่ หลังกเราเลื่อบ้านเลื่อสาราไก่เนี่ยเลื่ อ, อ น, นี่ออกก็เห็นช่องอันนั้นเลื่อนั่นออกเห็นนั่นๆั่นนั่นนีนนนน่จะเหลือดศูนย์จะลบศูนไม่มีค่าเลยไม่มีค่าที่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์เลยมันเหลือดศูนย์ไม่มีค่าหายหมดถ้าเราไม่มีอารมณ์ของ กรรมาฐานั้งทีก็เสียเวลาหน่อยหนึง่งแต่รูลล้อารมณ์นันท้องเป็นศินละปะดูปัอบจบปัอบทันทีเฉลยทันทีดูเลยก็จบก็จบไปเลยถ้าจะหาหลักฐานดู ก, นก็ไม่มีอะไรที่จะไปโกรธไปโลภไปหลงม่นไปพุกไม่มีอะไรที่ต้องไปมีที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหา ล่างเปล่าจากความหมายของคนเป็นตัวต้นไปทํานองนั่นแหะแต่ว่าภาษาพูดเราพูดได้เป็นเราพภาว่าตาเห็นรูปจักแต่ว่าหูได้ยินเสียงจักแต่ว่าสมองได้กลิ่นล่นได้รสจักแต่ว่าอันจักแต่ว่าเป็นคําพูดเป็นสมมุติเป็บัญญัติเป็นไม่ใช่เป็นปรัมมัติจนปรัมมัติน่นคือพอเห็นภาพน่ะคือภาวะที่มันเห็นนั่ะ ไม่ใช่คำพูดเป็นสภาวธรรมภาะที่เห็นเป็นสภาวธรรมไม่ต้องพูดจากแต่ว่าอะไรเลยสภาวธรรมเห็นเห็นแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันก็จบความหลุดทุนความอะไรมันก็อยู่ตรงนั้นละถ้าเห็นแล้วปลอดภัยรูยร้แล้วรู้แล้วมันก็พูดเมื่อวานนี้ <c oughs> รู้แล้วละรู้แล้วล่ะ ถ้าจะย่ำลงไปเอามาเจาะแย้ดูสบายมากการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยเป็นเป็นวิชาที่สะดวกเป็นวิชาที่สะดวกกลักวชิงใดล่นะถ้าเราทำถูกถ้าเราทำไม่ถูกก็ไม่ค่อยสะดวก ภาษาจเจริญสรีเนี่ยมันพอจับปั้มมันก็เป็นยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาไปเลยตัวรูตัวรูเน่ยมันยกขึ้นสู่วิปัสนาเลยตัวลูกภาวะที่รูที่รูเน่ยพยันรูอยู่แน่ไม่ต้องไปสงบมันจะเสียเวลาแาว่าที่สงบเนี่ยมันจะไปะเสียเวลาอยู่กับารพักก่อน กับความสุขกับความเย็นกับความสบายเมื่อกเราเดินทางพอถึงที่ร่มเงาเย็นสบาย <c oughs> ก็มักจะอยู่ตรงนั้นแหละพ <c oughs> อออกจากร่มก็ไม่สบายก็ไปไม่ถึง <c oughs> เพรา ะ, ระว่าที่เราเจริญสติเป็นภาวะที่ลบทันทีเลยล่ะภ <c oughs> าวะที่เป็นสมถะไม่ลบอะไรลบดีอยางเดียว ภาวาที่จเจริญสติภาวาที่จเจริญการจ้างจังหวะภาวะที่เข้าสนามลบทันทีทั้ทงแพทงนนะ้ทั้งชนะทั้งแพ้ทั้งชนนะไม่เป็นไรความง่วงเมาหานอนความคิดฝุ่งสานความรังเลสงสยัยลบตะวุนตะวันก็รว่วเองหมดมันเป็นยังไงแต่ไม่ต้องไปถามใคร ชนะต่อชนะเอาเองแพ้กับแพ้เอาเองแล้ก็เราก็มีประสบการณ์เอาเองพอมันชิดพับมันประสบการณ์แล้วรู้สึกตัวตรู้ ก, กับเวลาไดที่มันชิดนี่ไมีประสบการณ์มีบทเรียน แล้วถือว่าจิดมันก็ถูกสอนถ้าไม่รู้มันก็ไม่ถูกสอนสักทีหรอกถูกสั่งสอนมันพอรู้ป๊อปอือนี่คือตัวคิดตัวคิดเป็นตัวหนึ่งตัวรู้เป็นตัวหนึ่งตัวรู้สึกเป็นตัวหนึ่งตัวเห็นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งถูกสอนมีประสบการณไปในตัวเหมือนกับตำราโพูดกับติ๊กโง่ไปเรียนเซน ในคำสอนแบบมหาญาณ <c oughs> ไปเรียนบรรดาบกับอาจารย์พอไปอยู่กับอาจารย์ก็ไม่เห็นอาจารย์สอนเลยก็ อ, อยู่กินกันไปติด ก, ก็ถามอาจารย์เมื่ อ, อไหร่จะสอนผมมา อ, อยู่หลายวันแล้วไม่เห็นสอนอะไร ก็โย้ายโยบายอาจารย์บอกพอวันดีคืนดีติดเข้าไปทำครัวในโรงครัวอาจารย์ก็เข้าตามหลังไปติดประตูจับดาบไล่ฟันเลยสิกธิ์ลับเพราะมีมีดอยู่ในมืออยู่สั อ, องทำครัวหันผักอยู่ ติดกุญแจทันทียันควันทันทีลูกติดกุญับทันทีควันเงินมันลงไปลูกติดกุญแจลับลับไปพอออกพอสองคนเหรอาจารย์กวางเปิดประตูเดินออกมาลูกติดเสียใจคิดว่าอาจารย์ทําไมทําแบบนี้อาจารย์ทําไมทําแบบนี้ก็คิดในใจอย yes? ู่เสมอทําไมอาจารย์ถึงมาทําแบบนี้ ถ้าเราไม่รับเนี่ยเราคงตายแน่แต่เราไม่เก่งเราคงตายแน่ฟันกันแบบนี้ก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ทำไมยังทํากับผมอย่างนี้อาจารย์ยิ่ ม, มเธอได้เรียนแล้วเธอได้เรียนดูอะไรบ้างแล้วเมื่อกี้เนี่ยจนเธอเอาตัวรอดได้ลูกศิษย์ยังโผมใจ ย, ยกมาว่าอาจารย์โอ้นี่คือของจริง วิธีปฏิบัติทำก็เมนกันนะลบเลยพอรู้จักตัวก็ไม่อะไรที่จะต้องลบอยู่เสมอสตแพ้นะความง่วงเหงาหานอนเนี่ยสบักสบอมเต็มทีเลหนักพอชงคนรนะควาง่วงถ้าไม่จัดเจนก็เสียวเวลาอยู่กับตรงนี้มากว่าเราเจตนาสร้างสติ บังเอิญนะพอกำหนดจะสร้างความรู้มันไม่สิ่งที่จะมาผัดขวางมากมายตัวการที่สำคัญที่สุดคือีิวนรธรรมเนี่ยกามมาฉันทะพยาบาทสีธรมิทธะเพรามันเคยเคยเดินมาแบบนั้นตามมาฉันทะปล่อยไปในกามในความยินดียินร้ายพยาบาทก็อาจจะคิด กระทบกระทเรนคิดแบบเราเราเขาเขาทีดามิเาก็คือควา ม, มงา <c oughs> ่วงเมาหานอนทศจากกุกุจากกาวฟ่งฟงสานลังเลสงสยัยสารพัดอย่างมากับภูเขาลูกแรกการเะขึ้นมาถึงสุกโตเนี่ยมันก็ต้องขึ้นเขา การขึ้นเขาเนี่ก็ต้องพอสองคนออกแรงหน่อยอ่านวันลราทาเนี่ยมันเหมือนกับปูเขากันจิดลูกแรกเก้าแรกเลยล่ะถ้าใครเกิดความงงเหงาหัวนอนหถูกแล้วเดินทางถูกแล้วมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็เดินมานี่แหละความงงเหงาหัวนอนความชิดฟุ้งซ่านความลงเลสงสัยเนี่ย อ้องดูสิมันจะเป็นอย่างไร ม, มันสมองมีปัญญ า, าไม่ใช่มันสมองนะอา่ามีประสบการณ์ไม่ใช่มันสมองมันสมองต่างหากประสบการณ์ตอนนี้หาวิธีไหมไม่มีสูตรสำเร็จเออมันง่วงจะนั่งจะเดินจะลุกแล้วแต่เราจะหามาเราจะอยู่ตรงไหนเราจะเอาอย่างไร จัดสันมาเองแล้วก็ควันดาบยอมตายหรือพอเงี่ยงกับพับนอนลงไปเลยไม่รู้จักหลบจากหลีบไม่รู้จักลับมันจะเสียเวละก็มีมาถามมาบางคนก็ถามว่าทําไว้หรือทําชาทำช า, างจะว่าไม่มีสูตรสําเร็จชาก็ได้ไว้ก็ไว้แล้ว แล้วแต่เหตุปัจจัยการเดินจมกรมจะเดินเท่าไรการสร้างจังหวะจะนั่งเท่าไรนานเท่าไรไม่ตอ้องไม่ตอ้องแล้วแต่เราจะจับสัรหามาถ้านั่งมันง่วงลุกขึ้นเดิน แล้วแต่เรา ม, ม, มันไม่มีสูตรสําเร็จพอเราเป็นตาหรับตําลาประสบการณ์จากตัวเราเองตาลาเล่นใหญ่เลยกายสับใจของเราเนี่ยเป็นตําราเล่มใหญ่แต่บางคนก็เขียนไม่ค่อยดีสับสนบ้างแต่บางคนก็บงังทีฝึกดีไม่เปิดไม่เกลื่อนเพื่อนกับสิ่งใดมา ก, มาก แต่บางคนก็เปิดเพื่อนกม า, มา ก, ก็พอมาทำาักกับอะไรเแก้วกว่าพูดได้บรรลุธรรมหลายชีวิตมืดมาสว่างแก้วทันเองมืดมาตั้งนานหลายปีพอมาพบ ก, ก็จับได้แบบไปเลยไม่กลับไปมืดอีกสว่างมามืดไป อางทีก็จองมาสว่างไปเราก็เพี้ยนสยามอา๋เราจะต้องจัดสรรเราเองนะปฏิบัติทำนะแล้เราก็เป็นแต่เพียงกัลยาณมิตรตัวที่สําคัญตัวเรานะั่หละจะเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเราตัวสติตัวสมรู้จุดตัวเนะี่ยเอาให้มันอยู่กับเราไปไหนอย่าไปคนเดียวให้มีผู้ปองรู้จุกรู้ึกดก็ไหว เรารู้สึกหลอวถูกต้องแล้วไม่หวังไม่ต้องหวังเรงรู้สึกไม่ต้องหวังพอวันสัมผัสได้แล้วรู้แล้วอย่าหวันไหวง่ายอย่าคอยที่จะเอาคิดเอาถูกกับตัวเองอย่ลงโทษตัวเองให้มีกําลังใจ ที่ทำไปทําไปมันปวดมันเมื่อยอะไรขาแขนมันไม่ดีเอวมันไม่ดีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องหรอกอยไปจะไปลงโทษอย่าไปหาผมด้อยเพื่อจะเข้าข้างตัวเองไม่ใชนไรตั้งแต่การนำฝนเนี่ยเสื่อนไหวได้แต่คอเพราะยังปฏิบัติแต่บางคนเนี่หนูเป็นอย่างนั้นหนูเป็นอย่างนี้ หาก็ไม่ดีเดินก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปหาสิงมาอ้างถ้ามีความรู้สึกอยู่นั่นแหละสุดยอดแล้วม่คต้องรู้สึกได้ลิกมาขึ้นหายใจเข้าปิดตาคื้น้าลายดูรู้สึกได้ทั้งนั้นเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสื่อนไหวมือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมรู้สึกมันไม่ไปเองอันอนี้หรอกผมรู้สึกจริงๆงมันไม่อยู่แล้วละ่ะเดินไม่ได้ก็ดีมันจะได้มีทวารเดียวมันจะรู้อย่างเดียวหายใจมากกดดิกนิ่วมือเล่นเล่นถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ต้องจนผมรู้สึกเ่ไม่มีทางจนไม่เหมือนกับวัตถุภายนอก ซัพพลยนอกเีจนต้องหาแหล่งแต่ความรู้สึกตัวนี่ไม่้่งจนมีแหล่งมีทางพบทางเอยอะแยะออกได้ทุกทิทุกทางนี่พูดจากนี้แหละเพราะว่าทุกชีวิตก็เป็นจางนี้เป็นคำพูดที่เป็นสากลทุกชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ้องรู้สึกตัวเนี่ยสบายใจได้เลยไม่ต้อง่อตกกังวลถ้าจเจริญสตินะทำอะไรก็รู้ได้รู้ได้รู้ได้เนี่ยเอาละพวกเราเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมีอะไรที่ตั้งใจสงสัยก็ถามกันได้ เดี๋ยวนี้ก็มีพวกเราเป็นผู้นำการปฏิบัติอยู่อัจา ร, รย์ุกยอาจารย์งรงศีลจนหนุ่มห้ายองค์คือนำขบวนได้อย่างดีเดี๋ยวนี้อาจารย์รงศีลก็ลงสนามเป็นที่ให้กองลัพขอเราทำกาทบางทีผมก็